พวกเรามาเจอกันวันนี้นะใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อไม่เคยอ่านหนังสือหรือไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยยกมือหน่อยซิหลวงพ่อจะได้ประเมินถูกว่าควรจะเทศขนาดไหนประเมินถูกแล้วนะตอนนี้เขาฟังกันทั่วโลกแล้วนะพวกเราพยายามเขานะพยายามฟังเขาแจกให้ไหมมีแจก จากแล้วอย่าไปเอาไปเก็บนะอย่าไปขึ้นที่บูชาเราไปฟังดูธรรมะนะั้ไม่ใช่เรื่องเอาไว้ในตู้หรอกธรรมะเป็นเรื่องที่เราต้องเอาเข้ามาไว้ในใจเราถ้าใจเรามีธรรมะเมื่อไหร่นะโอ้มันมีความสุขมากนะใจที่มันไม่มีธรรมะหรอกมันมีแต่ความทุกข์นี่การที่จะเอาธรรมะมาใส่เข้าสู่ใจเราได้มันก็มีวิธีการ เราจะไปนึกว่าการปฏิบัติธรรม ว, ว่าชีวิตจะได้มีความสุขทํางานมีความสุขอยู่บ้านมีความสุขการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่แค่ไปเรื่องไปขอศีล น, นั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะและมันเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเรื่องศีลเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องการทําบุญทําทานอะไรเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์เพราะว่ามันช่วยลดละความเห็นแก่ตัว มันจะเป็นพื้นฐานที่จะยกระดับจิตใจขึ้นไปสู่ความพ้นทุกข์ได้พราะพุทธศาสนาเนี่ยมีเป้าหมายนะที่ชัดเจนว่าปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองขอบเขตของธรรมะนะของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์าต้องพ้นให้ได้ในปัจจุบันด้วย ไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆแล้วก็อีกร้อยชาติพันชาติมันจะมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแล้วค่อยพ้นทุกข์นั้นไร้าสาระเกินไปต้องพนอ้นเดี๋ยวนี้เพราะว่าความทุกข์มันมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ต้องพ้นให้ได้เร็วที่สุดเรื่องอะไรจะต้องจมอยู่ในความทุกข์นิรันดรขอบเขตคําสอนของพระพุทธเจ้านะครอบคลุมอยู่สองเรื่องอเองนะเรื่องว่าสอนเรื่องาการปฏิบัติเนี่ยนะนะมันมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็สอนวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ สอนอยู่สองอันชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเราดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลาเนีย่ยตอนเด็กๆ เ, เราก็คิดนะว่าเรียน ห, ห, น, นะ ห, หนะยนังสือจบแล้วจะมีความสุขใครเคยคิดในนะี้ไหมตอนเรียนหนังสือลําบากไหมทํางานลําบากกว่าเรียนไหมเอออ่ะเราโดนหลอกมารอบหนึ่งแล้วนะใครหลอกก็หลอกตัวเองเราคิดว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขะเรียนหนังสือจบแล้วก็ไม่ได้มีความสุข มาทำงานคิดว่าทํางานแล้วต้องใหญ่ๆนะถึงจะมีความสุขผู้ใหญ่ไม่ได้มีความสุขนะผู้ใหญ่เครียดเยอะมีแรงกดดันเนี่ยมหาศาลเลยลูกน้องก็กดดันนะคนที่ใหญ่กว่าก็กดดันหรือลูกค้าก็กดดันนักการเมืองก็กดดันเจอแรงกดดันรอบทิศทางเลยไม่ใช่ว่ามีอํานาจมากๆมีตําแหน่งดีๆแล้วจะมีความสุขยังไม่สุขจริง หรือบางคนกอคิดว่าต้องมีครอบครัวดีๆแล้วมีความสุขคิดไหมพวกผู้หญิงนยชับคิดว่าสามีดีๆแล้วจะมีความสุขมันก็จะพบว่าสามีที่ดีอายุสั้นนะตอนแต่งงานมันก็ดีนะาะแพักหนึ่งมันก็ออกลายอันนี้นเป็นความโง่องของผู้หญิงเองผู้หญิงเนี่ยตอนเป็นแฟนนะบางทีก็รู้นะว่าผู้ชายคนนี้เลวยังไงไม่ดียังไงมีจุดอ่อนอะไรแต่ว่าหลงตัวเอง คิดว่าแต่งงานแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนผู้ชายได้แล้วนะผู้ชายก็โง่ไปอีกแบบหนึ่งนะคิดคิดว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนนะพี่จ๊ะพี่จา๋าอะไร่เงี้ยนะจะไม่เปลี่ยนนะคิดว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขะความสุขก็สั้นนะิดเดียวคิดว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขยิ่งถ้าลูกหน้าตาดีๆีลูกไร้ไร้นะเก่งเก่งเนี้ยจะมีความสุขชิดแอนนะลืมดูตัวเองหน้าตาเป็นแบบไหนนะ ไอคิวเท่าไหร่ลืมดูตัวเองอยากให้ลูกไร้ไรอะไรอย่างนี้นะบทีตัวเองก็ไม่เอาไหนไปฝากพวกเร า, าฝากความสุขของเราไว้กับคนอื่นกับสิ่งอื่นตลอดเวลาฝากไว้กับการเรียนการทํางานทรัพย์สมบัติครอบครัวชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่คงที่ตําแหน่งก็ไม่คงที่เงินทองก็ไม่คงที่มีได้ก็หมดได้ บางทีก็ฝากไว้กับคนอื่นอยู่ก like, ับคนนี้แล้วมีความสุขมีสิ่งนี้แล้วมีความสุขทุกอยากา <Week> ่างในโลกนี้ชั่วคราวทั้งหมดเลยงั้นเราเนี่ยอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าโลกนี้กําลังเปลี่ยนแปลงตัวเราก็กําลังเปลี่ยนแปลงนะทุกคนรอบตัวเราก็กาลังเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราพยายามจะให้ทุกอย่างคงที่เรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยน ใจเราจะเครียดตลอดเวลาเลยเพราะว่าลึกๆเราก็รู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างมันกําลังเคลื่อนที่ไปความเครียดนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเพราะว่าเรายอมรับความจริงที่กําลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อ ต, อตาเรานี้ไม่ได้อย่างบางคนไม่สบายไปตรวจร่างกายไปจําปีมไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะไปตรวจร่างกายเจอว่าเป็นมะเร็งนะบางคนแค่เป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งก็เฉาตายเลยมีนะหลวงพ่อเคยเจอเฉา เราะอะยอมรับไม่ได้ว่าจะต้องเป็นมะเร็งยอมรับไม่ได้ว่าจะแก่พวกผู้หญิงอะตีนการอันแรกขึ้นรู้สึกยังไงนึกออกไหมบางคนชักเลื่อนๆแล้วเนะพราะมันมีเยอะยอมรับไม่ได้ว่าแก่มันก็ทุกนะยอมรับไม่ได้ว่าจะต้องเจ็บไข้ก็ทุกยอมรับไม่ได้ว่าวันหนึ่งต้องตายก็จะทุกยอมรับไม่ได้ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็ทุก เราต้องพลัดพรากไหมชีวิตนี้เรารักใครเราอยู่กับเขาได้ชั่วคราวไม่ว่าจะดีวิเศษแค่ไหนะถึงไงเราก็ต้องพลัดพรากถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าชีวิตเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราก็กังวลใจไปเรื่อยนะทุกไปเรื่อยเรายอมรับไม่ได้เวลาที่เราเจอคนที่เราไม่รักคนที่เราเกลียดเจอสิ่งที่เกลียดพวกเรามีสิ่งที่เกลียดไหมบางคนเกลียดหมาข้างบ้าน กังขือชอบเหา่าอยนี้นะเกลียดยอมรับไม่ได้อยู่ร่วมกับหมาตัวนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้บังคับชาคนนี้ไม่ได้เกลียดใจที่มันไม่ยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันนำความทุกข์มาให้นี่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจของเราได้ ถ้าเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้ชั่วครั้งชั่วคราวพอเปลี่ยนไปแล้วความต้องการของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในสุดใจก็เครียดขึ้นมาอีกแล้วทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วพราะพุทธเจ้าเลยสอนวิธีการที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีชีวิตอย่างไม่ทุกข์นะศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่เรื่องราวในอุดมคติซึ่งเป็นไปไม่ได้ศา ส, สนาพุทธเป็นศาสตร์ แห่ชีวิตจิตใจเป็นศาสตร์อันหนึ่งเลยนะมีเหตุมีผลมีการกระทําว่าถ้าทําอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ทําอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราจะสามารถปลดเครื่องความทุกข์ออกจากใจของเราได้ในเวลาอันสั้นธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องยืดเยือนะไม่ใช่อีกนานๆทําไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งของเราส่วนใหญ่จะคิดม ช, ชาติหน้านะ ชาตินี้ยากจนใส่บาทไปเรื่อยๆชาติหน้าจะได้รวยโง่โงชาตินี้จนทําไมไม่ทําตามที่พระเจ้าสอนใช่ไขยันทำมหากินรู้จักลงทุนรู้จักอะไรใช่ไรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกคบคนที่ดีๆคนที่แนะนําประโยชน์อะไรเงี้ยดํารงชีวิตพอมาพอควไรรายได้เดือนละสองหมื่นเนใช้เดือนละสี่หมื่นง่ายกว่าจนไปนโทษกรรมเก่าโทษเวรเก่านี่เป็นความโง่ของเราเอง ธรรมะไม่ใช่เรื่องไปแก้ปัญหาในอนาคตนะต้องแก้ให้ได้เดี๋ยวนี้เลยเคยได้ยินไหมธรรมะแบบนี้นึกว่าจะได้ยินให้ทําฐานถือศีลเนาะนะตื่นเกินตื่นเกินไปวิธีการนะวิธีการที่เราจะสามารถปลดเรื่องความทุกข์ออกจากใจของเราให้ได้เร็วที่สุดก็คือการที่เราคอยสังเกตใจของเราเอง คอยสังเกตจิตใจของเราเองให้ดีเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราได้ทุกคนรู้ทันได้แต่เราไม่สนใจจะรู้อย่างเวลาที่เราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราไม่สนใจที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจกำลังโกรธอยู่แต่เราจะไปสนใจว่าใครที่ทำให้เราโกรธเวลาที่เรารักเราไม่สนใจว่าใจของเรากำลังมีความรักเกิดขึ้นเราไปสนใจคนที่เรารัก จริงไหมเวลาเราขับรถถูกเขาปาดหน้าโกรธเราดูใครดูไอ้คนปาดใช่ไหมเราไม่ได้ดูใจที่กําลังโกรธเรารักใครสักคนหนึ่งเรากคงจะดูเขาไม่ดูตัวเองไม่ดูใจของตัวเองใจของเราเองนั้นน่ะถ้าเราดูแลมันดีนะมันจะไม่ทุกข์หรอกถ้าดูแลมันได้ไม่ดีมันจะนําความทุกข์มาความทุกข์มันจะมาทั่วหัวใจเรา เราท่วมแล้วก็แบบไม่มีทางออกนะอย่างบางคนจนแล้วก็เครียดมากไม่รู้จะทำไงกินเหล้าเล่นหวยกะว่าจะรวยเลยนะชีวิตยิ่งเร็วลงเร็วลงลมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่สามารถออกจากวงจรของความทุกข์ได้ต่อไปนี้เราลองดูนะลองย้อนกลับมาสังเกตจิตสังเกตใจของเราเรื่อยๆทุกคนสามารถรู้เท่าทาันใจของตัวเองได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเอง รู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธบ้างยกมือซิมีไหมช่วงบ่ายเวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยจะมีการยกมือบ่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารเป็นพิษนะจะตาเรือนหัวปวดเรื่องหมดแรงโกรธก็เป็นใช่ไหมอิจฉาเป็นไหมผู้ชายคนไหนเคยอิจฉาบ้างมีไหมเดี๋ยผู้ชายก็อิจฉาเป็นผู้ชายกลัวเป็นไหมกลัวอะไรมากที่สุดกลัวเมีย กลัวอะไรผู้ชายก็กลัวผู้หญิงสิผู้ชายนั้นนึก่าเข้มแข็งนะอิจฉาก็เป็นนะกลัวก็เป็นนะ ต, ตื่นเต้นก็เป็นอะไรก็เป็นผู้หญิงก็เหมือนกันความรู้สึกนาน า, นาชนิดในใจเราเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วทั้งความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่เหลวต่อไปนี้นะให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจตัวเองบ่อย ใจเรามีความสุขรู้จักวความสุขไหมเวลาใจเรามีความสุขร right? ู un Horizon, under, ้ว่ากำลังมีความสุขเวลาใจมีความทุกรู้จักใช่ไหมความทุกรู้ว่ากำลังมีความทุกแต่พวกเราไม่เป็นงั้นหรอกเวลาที่ใจมีความสุขนั้นเราจะกระดีกระดาไม่สนใจที่ใจตัวเองหาอะไรเพลินสนุกไปเวลาที่มีความทุกก็ไม่สนใจที่จะรู้ว่าใจกาลังทุก ก็ก ล, ล้ำควนร่ำไรายลําพันอะไรโอดควญไปเรื่อยๆนะหรือโทษก็นโน้นโทษคนนี้ไปเลยโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตนเองนะนี่เป็นธรรมชาติที่อ่อนแอของพวกเราคือเราละเลยที่จะรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองต่อไปนี้อย่าละเลยนะและชีวิตเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นคนที่เรียนกับธรรมะกับหลวงพ่อนะใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสเดือนเนะี่ยชีวิตเขาเปลี่ยน ซีดีหลวงพ่อทำซีดีแจกออกไปเยอะแยะเลยนะทั่วประเทศทั่วโลกมีหมดอนะ่ะเนี่ยทีมทำซีดีไปไหนก็ไปตั้งกล้องอาเสียงอัดรูปนะทำออกไปแจกไม่ได้ขายนะทำแจกไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้เวลาหลวงพ่อไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนไหนบางทีจะไปเข้าห้องน้ำกมีคนมาหานะมากราบมาไหว้มาขอบคุณชีวิตเขาเปลี่ยนแล้ว บางทีเราคินึกนะว่าให้เราเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นะนะเราก็มีความจำเป็นของเรานะขอบคุณยา ว, ยาวบางคนแตนะงความก็คือเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนที่ไหนนะคนที่เขาฟังซีดีเขาอ่านหะนังสือที่หลวงพ่อเขียนอนะเนี่ยเขาลองมาสังเกตใจของตัวเองนะในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนะี่ยเขาพบว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเคยจมอยู่ในความทุกข์นานแสนนานนะความทุกข์จะสั้นลง เคยมีความทุกข์มากมากนะความทุกข์ก็เหลือน้อยนะ้ความทุกข์ยาวนานก็สั้นนะชีวิตเปลี่ยนหลายคนเลยบอกว่าตั้งแต่เกิดมานะเพิ่งรู้ว่าความตื่นเป็นอย่างไรนะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตื่นเฉพาะร่างกายจิตนี้ไม่เคยตื่นเลยจิตหลงอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝันตลอดเวลาความฝันเป็นความจริงไหมไม่จริง งั้นสิ่งที่พวกเรากําลังอยู่เนี่นะเราอยู่ในโลกของความไม่จริงนะเราอยู่ในโลกของความไม่รู้สึกตัวอยู่ในโลกของความฝันเท่านั้นเองเราฝันทั้งๆ ท, ท, ที่ร่างกายตื่นขึ้นมาแต่จิตใจเราเนี่ยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันเราไม่สามารถอยู่ในโลกของความจริงได้น้อยคนนะที่จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะเราหัดสังเกตจิตใจตัวเอง ตอนนี้เขารู้แล้วว่าความตื่นเป็นไงตลอดชีวิตที่ผ่านมาหลายสิบปีไม่เคยตื่นเลยนี่ภาวะแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้จักัหมความว่าพุทธโธพุทธะนะพุทธะเราเป็นศาสนาพุทธนะั้นเรายังไม่รู้เลยพุทธะคืออะไรพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ตัวเองแล้วนะจิตมันจะตื่นหลุดออกมาจากโลกของความคิดโลกของความฝัน จิตจะสัมผัสความสุขความเบิกบานจากความตื่นนั้นขึ้นมายิ่งถ้าเราตื่นได้เต็มร้อยนะเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันเลยนะเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้ น, นความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจเลยพ่อแม่จะตายใจก็ไม่ทุกข์นะเมียที่รักจะตายใจก็ไม่ทุกข์แฟนจะทิ้งก็ไม่ทุกข์นะลูกที่น่ารักน่าเห็นดูของเราเนะีเกิดถูกปรับรถทับตายไม่ทุกข์หรอก อะไรๆเกิดขึ้นในชีวิตใจไม่ถูกมาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สําคัญที่พวกเราควรจะเรียนรู้ไว้ง่ายๆที่สุดเลยนะคอยสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองเวลาที่เราสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราก็จะพบว่าเดี๋ยวใจเราก็ดีเดี๋ยวใจเราก็ร้ายเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์หมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันเราไม่สามารถเลือกได้เลือกได้ไหมว่าให้มีความสุข สั่งได้ไหมว่าอย่ากโกรธสั่งได้แต่โกรธใช่ไหมเคยไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธเสร็จแล้วก็โกรธบางคนก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่รักละผู้ชายคนนี้เลวเหลือเกินมาอ้อนเราเราจะไม่รักมันอีกแล้วเสร็จแล้วพอมันมาอ้อนก็รักอีกแล้วเนี่ยความจริงก็คือเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้บังคับแต่ท่านสอนให้รู้ทันมัน จนเห็นนะว่าความสุขที่เก well. ิดขึ our uniforms, our من, ain, well our our ้นในใจเรานี้ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความโหดผูความอิจฉาอค่าทั้งหลายทั้งปวงนะเกิดขึ้นในใจเรานี่ถ้าเรามีสติเรารู้ทันนะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรานี่มันจะอยู่ชั่วคราวแล้วมันจะหายไป อั น, นี้เป็นศาสตร์ที่ประหลาดมากเลยท่านไม่ได้สอนให้ไปเอาชนะมันแล้วท่านบอกว่ามันเป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันอยู่นอกเหนือการบังคับไม่มีใครบังคับได้แต่เราเรียนรู้มันได้เรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆต่อไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันใจที่โกรธไม่ใช่รู้ทันว่าใครมาทำให้โกรธนะ ให้รู้ทันใจที่กําลังโกรธดูเข้าไปรู้เข้าไปว่าตอนเนี้ใจกําลังโกรธความโกรธจะดับโดยอัตโนมัตินี่เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยทันทีที่สติเกิดนะกิเลสจะดับอัตโนมัติ น, ะนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎซึ่งพระพุทธเจ้าคนพบทุกคนทั่วๆไปคิดไม่ถึงหรอกนะเวลาทันทีที่สติเกิดนะี่กิเลสดับทันทีเวลาใจมันโลภขึ้นมานะเรารู้ทันว่าใจกําลังโลภอยู่นะความโลภจะดับทันที เวลาโกรธอยู่เนี่ยเรารู้ทันว่าใจกำลังโกรธนะัความโกรธจะดับทันทีดับเองนะโดยที่เราไม่ต้องดับมันทันทีที่กิเลส ด, ดับลงไปเนี่ยศีลที่เราพยายามจะมาขอหลวงพ่อตะกี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคนทำผิดศีลได้รู้จักศีลห้าไหมขอพระมากี่รลายแล้วขอมาแล้วรักษาได้ไหมไม่ได้ศีลข้อไหนรักษายากที่สุด หนึ่งสองสามสี่ห้าก้อไหนก็สี่รักษายากนะพูดเพอเจอร์ก็สีด่างพลอยแล้ะพูดเพอเจอเป็นไหมพูดเพอเจอก็คือไม่จําเป็นแต่พูดก็พูดไม่จําเป็นต้องพูดเราก็พูดนะไม่เรียกพูดเพอเจอร์แล้วนะแต่ถ้าพูดโอโลมปฏิโลมลูกค้านะพูดยาวเท่าไหร่ก็ไม่เรียกว่าพูดเพอเจอร์นะนั้นพูดตามหน้าที่แยกให้ออกนะพูดเพอเจอร์หมายถึงว่าไม่จําเป็นจะพูดก็พูดเนี่ย แป๊เดียวศีลก็ดังพลอยแล้วถ้าเมื่อไรนะความรู้สึกกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเราเรารู้อย่างรวดเร็วเนี่ศีลมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปขอใครคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงําจิตอย่างเวลาความโกรธครอบงําจิตใช่ไหมก็ทำร้ายคนอื่นได้ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปตกเขาไปข่วนเขาอะไรนะี่ทําร้ายคนอื่นได้ทําร้ายสัตว์อื่นได้นะผิดศีลข้อหนึ่ง ความโกรธเกิดขึ้นแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้ใช่ไหมความโกรธเกิดขึ้นแกล้งไปหลอกลูกหลอกเมียเขาก็ได้ในแกล้งเขาอ่ะความโกรธเกิดขึ้นแกล้งด่าเขาก็ได้ใช่ไหมหรือแกล้งชมให้มันเสียคนไปเลยก็ได้นี่โมสาละความโกรธเกิดขึ้นเลยจิตใจเศร้าหมองจิตใจที่เครียดเครียดเนี่ยจะเป็นจิตที่มีความโกรธไปกินเหล้าเมายาก็ได้คิดว่ากิตเราจะได้หายเครียด แม้แค่ความโกรธตัวเดียวเนี่ยนะทำให้เราผิดศีลห้าได้ทั้งห้าข้อเลยความโลภตัวเดียวก็เหมือนกันทําให้เราผิดศีลห้าได้ทั้งห้าข้อเลยนะใจเราโลภเราก็ไปทําร้ายคนอื่นได้ใช่ไหมจะไปชิงทรัพย์เขาอนะไรเนี่ยทำลายเขาได้ไปรักไปขโมยเขาไปชออโกงเขาไดนะ้ไปแย่งลูกแย่งเมียเขาได้นะี่ยเพราะว่าความโลภมันเกิดไปพริ้นปล่ปลนหลอกลวงเขาได้ใช่ไหมหรืออย่างเวลาจิตที่โลภ บ, บางชนิดนะ จิตที่มันมีความสุขกะดีกะดานะมีความสุขปีนี้ได้เงินเดือนเลื่อนเยอะหรือโบนัสเยอะต้องกินเหล้าฉลองคนไทยเรานะ่ะเศร้าโศกก็กินเหล้าเนะเสียใจก็กินเหล้ากินอยู่นั่นนะ่ะเะนั้นกิเลสตัวเดียวนะทำให้เราผิดศีลห้าได้ทั้งห้าข้อเลยถ้าเรามีสติเรารู้ทันกิเลสความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันความโกรธหายไปเราจะไม่ทาผิดศีลห้าเพราะความโกรธ ถ้าความโลภเกิดขึ้นมานะเรารู้ทันความโลภจะดับโดยอัตโนมัติเราจะไม่ทำทิศสีห์เพราะความโลภนะแล้วเรามีศีนที่มาแล้วมันดียังไงขอศีนรู้เปล่าว่า ม, มันดียังไงพระเคยบอกไหมเคยบอกไหมบอกแต่แปลไม่ออกบอกสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาเคยได้ยินไหมสีเลนะนี่พูดติงยันตินะ ถือศีลแล้วมีความสุขนะข้างหน้าถือศีลแล้วจะมีความสุขถือศีลแล้วจะรวยคนผิดศีลเนี่ยโอกาสจนเยอะนะถือศีลแล้วจะพน้นทุกจะไปสู่พระนิพพานได้ง่ายขึ้นง่ายๆเวลาที่ใจของเรามีศีลคือใจเราไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปนะใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวใจเราจะมีความสุขๆความสงบอยู่ในตัวเอง คนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นกับคนที่เมตตาคนอื่นนะใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่ทําร้ายคนอื่นไม่ได้มีความสุขนะคนที่จะไปขโมยของเขานะมีความสุขไหมก่อนขโมยต้องวางแผนใช่ไหมระหว่างขโมยก็ต้องเหลียวซ้ายแลกว่ากลัวคนเห็นขโมยเสร็จแล้วแล้บสะดุ้งผวาหยคนที่ไม่ขโมยเขาก็าใจถึงนะให้คนอื่นได้ด้วยเนะี่ยมีความสุขเหนือกว่าใช่ไหมนั่นสีนําความสุขมาให้นะ พวกเราไม่รู้คุณค่าของศีลเราคิดว่าถือศีลถือทรงเดชไปงั้นนะถือตามประเพณีแล้วก็ไม่ถือจริงชอบขอศีลจากพระนะแต่ไม่รู้เลยว่าถือไปทําอะไรดังนั้นเราถือไม่ได้จริงหรอกถ้าเราถือศีลได้นะเราจะมีความสุขคนมีศีลจะมีความสุขนะอย่างคนซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตัวเองนะกคนที่ไปเป็นชู้กับคนอื่นตลอดใช่ไหมคนที่ซื่อสัตย์อยู่กับคู่ครองของตัวเองสบายใจนะ หน้าเก่าๆ ก, ก็จริงนะแต่สบายใจมือหวาขึ้นมาเสี่ยงตายอย่างน้อยอาจจะติดเอชเด้มาเมื่อไหร่ก็ได้คนที่มีสัจจะสบายใจกว่าคนโกหกนะเวลาโกหกเนี่ยเราต้องใช้หน่วยความจําไปเยอะเลยใช่ไหมการโกหกต้องจำไหมจําพูดความจริงต้องจํำไหมไม่ต้องจําอะไรเลยง่ายกว่ากันทั้งเยอะเรื่องสีนเนี่ยทําให้เรามีความสุขนะ นั่นเราคอยรู้เท่าทันถ้กิเลสอะไรเกิดที่ใจเราเรารู้ทันนะศีลจะเกิดเองแล้วเราจะมีความสุขความสุขเนี่ยมีความแปลกอยู่อย่างนึงมีหลักอยู่ข้อหนึ่งของธรรมะนะความสุขเป็นเหตุให้เกิดความสงบเกิดสมาธิใจที่มีความสุขจะมีสมาธิใจที่ไม่มีความสุขจะไม่มีสมาธิ เวลาที่เราทำงานที่เราพอใจเรามีความสุขกับงานชิ้นนั้นเราจะมีสมาธิในการทำงานสูงใช่ไหมเราทำงานชิ้นที่เราเกลียดเนี่ยเราไม่มีสมาธิดังนั้นความสุขเนี่ยทำให้เกิดสมาธิคล้ายๆตอนที่เรานอนเวลาที่เราอยากหลับเร็วๆมันจะไม่หลับรู้สึกไหมเพราะอะไรมันเครียดเมื่อไรจะหลับเมื่อไรจะหลับมันไม่หลับเวลาเรานอนคิดอะไรเพลินๆสบายใจแปบ๊บเดียวหลับนะ วิธีกล่าว่าจะเอ็นหลังไหน่หนึ่งตอนกลางวันเจ้านายเผลอแล้วะะจะหลับพักสายตาซะหน่อยหนึ่งนะนะมันสบายใจเชื่อนายไม่อยู่หลับไปชันเย็นเลย น, นั้นเวลามีความสุขมีความสบายใจนะสมาธิมันจะเกิดอย่างอย่างเรามีความสุขกับงานชิ้นนี้นะเราจะมีสมาธิในการทํางานชิ้นนี้บางคนมีความสุขกับการเล่นไพ่ตารวจมายังไม่รู้เลยนะ คำลวนมาส ก, กิทีิยิ่งยุจจ่งยิ่อยู่แล้วนะเออดูบันโลกนะดูบันโลกนะ่าตาแดงใช่นะลาบากตรากตรำถ้าไม่ดูมีความสุขนะสบายใจมีความสุขทํางานชิ้นนั้นได้ยาวนานยังนะดูบอลก็ดูได้นานเล่นไพ่ก็เล่นได้นานไอ้นะความสุขเนี่ยทําให้เรามีสมาธินะนการที่เราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะจิตใจจะมีความสุข นอกจากมีความสุขแล้วจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างง่ายๆเลยนะให้คอยรู้ทันใจของเราไว้นะหรือเวลาใจเราฟุ้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมมันฟุ้งมันซ่านมันมีสภาวะรองรับนะไม่ใช่เป็นแต่ภาษามันฟุ้งขึ้นมานะมันฟุ้งขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่นะ้ฟุ้งขึ้นมานะแล้วก็แผ่ซ่านออกไปซ่านออกไปทางตาซ่านไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซ่านไปในโลกของความคิดทางใจนะ มันฟุ้งไปแล้วซ่านไปฟุ้งขึ้นมาปรุงขึ้นมานะพวกเราไปสังเกตให้ดีต่อไปนี้เวลาความโกรธเกิดขึ้นลองไปดูซิตามโกรธเกิดขึ้นจากตรงไหนในร่างกายเราไปสังเกตนะรู้ไหมเรากโกรธครั้งแรกในชีวิตเมื่อไหร่แม่ให้นมช้าฉี่แล้วยังไม่มีคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมโกรธแล้วนะร้องโวยวายแล้วโกรธมาตั้งแต่ยังนอนแบบาเลยนะ แต่เรายังไม่รู้เลยว่าความโกรธมันผุดขึ้นมาตรงไหนตายน่าอายจังเลยเรื่องของเราเราไม่รู้เนะไปหัดดูนะความโลภความโกรธความหล ง, งสัน้นโคตหูขึ้นมาจากกลางหน้าอกนี่มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาถ้ามันผุดแรงอย่างความโกรธผุดขึ้นแรงขึ้นหัวเลยครอบหัวเลยพวกเราไปเห็นตอนทีนึงความโกรธครอบหัวไปแล้วอันนี้พอจะเห็นใช่ไหม ครอบหน้ามืดไปละวเรื่อเราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันกิเลสไรผุดขึ้นมาคอยรู้ผุดขึ้นมาคอยรู้ะรู้สบายสบายนะหรือใจเราหนีไปที่อื่นใจเราหนีได้นะใเราหนีไปเที่ยวได้เวลาที่เราดูทีวีนะเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านไปลองดูทีวีใจเราจะหนีเข้าไปอยู่ในทีวีบ้างหนีไปคิดด้วยสมมติเราฟังข่าวนายกดูข่าวใช่ไหม บางทีก็ดูรูปทีก็หนีไิคิดที่นี่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อจะถามเกี่ยวกับพุทธรูปองค์นี้นะให้พวกเราตั้งใจดูให้ดูเฉพาะศีรษะท่านเสียงท่านนะดูส่วนยอดของท่านว่าเป็นแบบไหนจงฟลายสูงสุดของท่านนะสังเกตให้ดีนะ เ่เราสังเกตไหมขณะที่เราสังเกตพระพุทธรูปเนี่ยใจของเราวิ่งไปอยู่ที่พระพุทธรูปนีดูออกไหมในขณะที่เราสังเกตพระพุทธรูปจดจ่ออยู่ที่พระพุทธรูปเนี่ยเรามีร่างกายแต่เราลืมมันความรู้สึกอะไรที่กาลังอยู่กับตัวเองเราลืมมันหมดเลยนะร่างกายเรายังลืมเลยงั้นในขณะที่ตามองเห็นนะเราไปเห็นรูปนะเราไปเห็นสิ่งที่ไปเห็นเข้านะเห็นรูปที่มองเห็นเราลืมตัวเราเอง มีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมนี่เรียกว่าฟุ้งซ่านแล้วนะเมื่อไหรลืมกายเมื่อไหรลืมใจฟุ้งซ่านแล้วนะเวลาเราได้ยินเสียงเราก็ลืมตัวเองนะอย่างคนข้างบ้านคุยกันเราก็อยากมีหูทิพเขาคุยเรื่องอะไรใช่ไหม <c oughs> ฝึกทิพสโตร์ใหญ่ฟังฟังนะขณะที่ตั้งใจฟังเขาพูดอนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมถจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดสมาธินะเวลาเราได้กลิ่นเราได้รสนะ กินอาหารอะไร adora, เนี้ยนะอร่อยเราก็ลืมตัวเราเองเวลาเราไปคิดเราก็ลืมตัวเราเองสังเกตดูนะเวลาที่เราคิดเราจะลืมตัวเราเองไปลองสังเกตดูงั้นเวลาที่เรามองเห็นใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่รูปเวลาเราได้ยินเสียงใจเราวิ่งไปอยู่กับเสียงเวลาได้กลิ่นใจวิ่งไปอยู่ที่กลิน่นใจวิ่งไปอยู่ที่รสใจวิ่งไปอยู่ที่สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายใจวิ่งไปอยู่กับเรื่องราวที่คิด ใจของเราเนี่ยมันลืมตัวเองมันหนีตัวเองไปตลอดเวลามันหลงทั้งวันอันนี้เรียกว่าไม่มีสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้มากที่สุดนะจิตใจของเราล่องลอยมาแต่ไหนแต่ไรต่อไปนีพยายามรู้เท่าทันมันคอยสังเกตนะถ้าจิตเราไหลไปจิตเราเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นสมาธิจะเกิดขึ้ น, น, นเวลาทํางานนะ ถ้าจิตเราจะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเนี่ยนะมันจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นเราจะจดจ่ออยู่กับการทํางานลูกพ่าทํางานนะเราเติบโตเร็วในรุ่นเดียวกันเนี่ถือว่าโตเร็วรับราชการก็โตเร็วออกไปอยู่รัฐวิสา ก, กิจก็โตเร็วไม่ได้พิ้งเต้นนะไม่ใช่ลิ้นยาวกว่าคนอื่นไม่ใช่ลิ้นสั้นๆิีเดียวนี้แหละไม่ได้ส่อปลอใครหรอกนะ แต่ว่าทํางานได้ไวทํางานได้แม่นเวลาคิดอะไรเนียคิดได้ไหลายชอ็อนตะทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะสมาธิมันดีอย่างบางทีนะทํางานเนี่ยผู้ใหญ่ให้ร่างหนังสือถึงนายกถึงอะไรเนี่ยถึงรัฐมนตรีนั่งหน้าคอมแล้วเขียนมันได้เลยผู้ใหญ่เนะี่ยมายืนคุยผู้ใหญ่วยการอนะไรมายืนคุยนะอยู่ข้างๆเราเนี่ยเดี๋ยว คีออกมาพินพ์ออกมาแล้วจะเซ็นล้มันเป็นแรงกดดันมากเลยนะครับนี่มายืนเฝ้ามารอเซ็นเงี้ยหลวงพ่อไม่สนใจแกเลยเราลืมแกไปเลยเรารู้แต่ ง, งานคิดแต่เรื่องงานจดจ่ออยู่กับงานนี่เรื่องของสมาธินะงั้นพวกเราต้องฝึกให้ได้นะฝึกให้มีศีลฝึกให้มีสมาธินะคุณภาพทั้งการใช้ชีวิตทางโลกในการทํางานชีวิตในครอบครัวนะแล้วแก้ทั้งการปฏิบัติธรรมนะจะดีขึ้น เราอย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฉีกตัวเองแยกตัวเองออกจากโลกปกตินะการปฏิบัติธรรมก็คือการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันนี้เองนั้นเราคอยรู้ทันนะถ้ากิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้ทันสีนอัตโนมัติจะเกิดถ้าศีเกิดแล้วใจิตใจจะมีความสุขนะจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายใจิตใจที่มันลืมเนื้อลืมตัวเพราะมันวิ่งไปหาความสุขที่อื่นอย่างผู้ชายบางคนไม่ชอบกับบ้านใช่ไหมก็วิ่งไปหาความสุขนอกบ้าน ถ้าที่บ้านมีความสุขแล้วมันจะไม่ไปไหนหรอกคนโบราณเขาเคยสอนว่าเสน่ห์ปลายจะหวักเคยได้ยินไหมหัวรักินตายผู้ชายเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยค่อกินนะสิเอาเสน่ห์ปลายจะหวักมาหลอกมันไม่ได้ก็ต้องทําตัวให้เหมือนมันน่าดูให้บ้านมันน่าอยู่นะมันจะไม่ไปไหนที่ไหนมันมีความสุขก็จะอยู่ที่นั่นจิตนี้ก็เหมือนกันจิตนี้นะถ้ามันมีความสุขอยู่กับอารมณ์อะไรสักอย่างนะมันจะไม่หนีไปที่อื่น ถ้าหากเรามีศียจิตใจมีกิเลสรู้เกิดขึ้นเรารู้ทันนะมมีเสีย จ, จิตใจมีความสุขนะ จ, จิตใจยังไม่ฟุ้งไปที่อื่นเลยสมาธิมันจะเกิด จ, จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรามีสมาธิแล้วคราวนี้เอาไปทํางานให้ได้นะจะทํางานในบริษัทจะทํางานในครอบครัวจะทํางานอะไรใช้ใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะใจไม่วอกแวนแค่นี้ยังไม่พอนะศาสนาพุทธไม่ได้ตื่นแค่นี้นะมมีสูงกว่านี้ คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองเราจะเรียนรู้ความจริงของตัวเองได้จิตใจต้องไม่ลืมตัวเองก่อนต้องมีสมาธิแหละจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมนี่ภาษาไทยโบราณนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือคําว่าสมาธิแหละเราชอบไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิลองไปเปิดพระเจ้านุกลมดูนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น ความตั้งมั่นก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เองไม่ลืมตัวเองไม่หลงไปนะไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนี่เราคอยรู้ทันนะถ้าใจเราหนีไปเราคอยรู้นะหรือถ้าใจเรามีความสุขอยู่มันจะไม่หนีนะถ้ามันไม่มีความสุขมันจะหนีถ้าหนีเราคอยรู้ทันสมาธิก็เกิดเหมือนกันถ้ามีความสุขสมาธิก็เกิดใจจะไม่หนีแต่ถ้าไม่มีความสุขใจหนีไปนะเรามีสติรู้ทันมันจะกลับมาเอง ใจิตใจจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองเมื่อจิตใจกลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วต่อไปนี้เป็นขั้นสุดท้ายละของธรรมะนะคือขั้นเจริญปัญญาเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะพวกเราส่วนใหญ่ทํางานที่ใช้ความคิดเราจะคอยเรียนรู้ความจริงในใจของเราแะความจริงในใจของเราก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเรานี้เป็นของชั่วคราวต่อไปนี้ถ้าความสุขเกิดขึ้นรู้ทันเราจะเห็นว่าความสุขสั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็หาย ความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันนะความทุกข์ก็สั้นเหมือนกันเดียวก็หายนะโลภโกรธหลงดีชั่วอะไรเกิดขึ้นมาสั้นนิดเดียวทั้งหมดเลยการที่เราได้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอันนี้แหละคือคําว่ามีปัสนากรรมฐานเคยได้ยินไหมมีปัศนากรรมฐานมีปัศนากรรมฐานไม่ใช่เรื่องไปดูทองฟองทองยุคนะคนละเรื่องเลยนะมีปัสนากรรมฐานเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยงความถูกบีบคั้นการบังคับไม่ได้ของกายของใจอย่างเราเห็นท้อง่องท้องยุบอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานบางทีคือเป็นหลงเรียกว่าวิปัสนาคือไปพุทโธพุทโธอันนี้ก็สมถกรรมฐานถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้ถึงจะเป็นวิปัสนากรรมฐานปัสนะแปลว่าการเห็นวิปัสนาก็คือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องก็คือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยงการถูกบีบคั้นเรียกว่าทุกขังนะถูกบีบคั้นการเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับถ้าเหตุมีอยู่สิ่งนั้นก็มีอยู่ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของเราเวลาไฟไหม้เขาดับอะไรดับไฟ ใ, ใช่ไหมไม่ใช่เขาดับเหตุถงไฟไฟไหม้เกิดจากอะไรเหตุปัจจัยหลายตัวมีเชื้อเพลิงนะ มีออกซิเจนใช่ไหมมีการสันดาบมีความร้อนที่สูงพอเวลาดับไฟสังเกตดูสิทีก็ไฟลามมาเขาก็ลื้อบ้านออกไปใช่ไมไม่มีเชือเ้อเพลิงไฟเข้าไปไม่ได้ละไฟก็ดับเพราะไม่มีเหตุของไฟหรือเอาโฟมไปฉีดนะออกซิเจนเข้าไปไม่ได้ไฟก็ดับเอาน้ำไปราดน้ำไปราดไม่ได้ดับไฟนะแต่น้าไปช่วยลดอุณหภูมิ ล, ลงพออุณหภูมิต่าลงไฟก็ดับก็ เ, เหตุของไฟดับ กระทั่งการจุดไฟหรือการดับไฟยังเป็นไปตามเห็นไม่ใช่ตามที่เราสั่งเลยนะงั้นเรามาดูถ้าเราเห็นความจริงนะอย่างความโกรธเนี่ยเราสั่งไม่ได้นะความโกรธจะเกิดมันเกิดความโกรธจะดับมันดับเราสั่งไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาแต่ถ้าเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยู่ชัว่วคราวก็ๆๆดับไปนี่เรียกไปเห็นอนิจจังนะเห็นอะไรก็ได้นะในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะดู อ, อันใดอันหนึ่งก็พอละ ให้ดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจเราสดๆร้อนๆนี่แหละความสุขเกิดขึ้นรู้ทันจะเห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันมันอยู่ชั่วคราวนะตรวลดลงเกิดขึ้นรู้ทันมันอยู่ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยการที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเลยที่จะคงทนถาวร น, นิรันดร น, นะ เพนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะเห็นว่าธรรมดาเราจะแก่ธรรมดาใช่ไหมเพราะเราอยู่ได้ชั่วคราวเราจะเจ็บมันก็ธรรมดาเราจะตายก็ธรรมดาเราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักก็เรื่องธรรมดาเพราะว่ามันอยู่กันมาชั่วคราวมันก็ต้องพลัดพรากแล้วเราต้องเจอคนที่ไม่รักเราก็ไม่หวั่นไหวเจอสิ่งที่เราเกลียดเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันก็ของชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูไปเรื่อยนะถ้าเราฝึกมาจนถึง ยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยความทุกข์จะกระเด็นออกไปจากใจเราฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากเลยให้กันบ้านนะว่าพยายามไปฟังซีดีหลวงพ่อถ้าเขาไม่มีแจกก็ไปโหลดเอานะธรรมธรรมะ .com ธรรมะ .com จำง่ายนะธรรมะ .com ต้องไปเปิดดูไม่เก็บตังค์หรอกวันนะี้เท่านี้ก็พอนะแปลว่าพวกเราใหม่ ไม่เคยได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเทศถ้าฟังมากกว่านี้จะงงด้อย่างหนึง่งสมองของคนนี้รับข้อมูลใหม่ๆได้ครั้งหนึ่งสี่สิบห้านาทีเทน้เทศสี่สิบห้านาทีพอดีเป๊ะเลยนะมากกว่านี้ใบแล้วไม่รู้เรื่องแล้วทนไม่ไหวหรอกค่ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นการถามตอบปัญหานะคะท่านใดมีคำถามไหมคะ เดี๋ยวหลวงพ่อบอกนิดหนึ่งนะคำถามเนี่ยคือห้องนี้นะัไม่เคยเรียนจากหลวงพ่อนะคงถามลำบากพวกเราหน้าตามไม่ได้ปฏิบัตินะนะคงจะถามไม่ไหวแล้วก่อนจะถามนะไปฟังซีดีก่อนนะแล้วก็ถ้าไปเจอหลวงพ่อที่ไหนก็ค่อยถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้จิตใจถูกต้องดีหรือยังนะเพราะงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะ ถามไปก็เท่านั้นนะถามพวกเรายังตออย่ ง, ออยงถามไม่ได้จริงถามเป็นเรื่องคิดเอาทางนั้นรับผ่อนีย่าถามวารีวหาปูราปริภูเรนเตสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังขิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโธปนรสอยถ า, ามณิโชติระโสยต า, าสพีตโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโคภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจตารโธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพลังรู้ไหมแปลกว่าอะไร ฟังด้วยด้วยเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะเปคำสอนท่านนั่นเนี่ยบทท้ายเขาบอกว่าการที่เคารพผู้ใหญ่วันน้อมต่อผู้ใหญ่นะี่มีผลดีนะมีอายุวันณ้สุขภาพละพระไม่ได้บอกว่าพระจะขอให้ทุกคนมีอายุวันณ้สุขภาพละนะแต่พวกเราต้องทําเอาเองศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนขี้ขอนะศา ส, สนาที่ต้องลงทุนลงแรงทาทั้งสิ้นเลย งั้นพวกเราไปฟังซีดีนะให้โอกาสกับชีวิตตัวเองบ้างเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วองค์กรก็จะดีนะครอบครัวก็จะดีขึ้นองค์กรก็จะดีขึ้นลองดูนะเดือนสองเดือนเท่านั้นชีวิตจะเปลี่ยนวันนี้หลวพ่อไปก่อนนาะมีกันแล้วกัน